เดี๋ยเป็นคนเก่าม <Ooh. S 1> ีอะไรกะถางตู้ตูกันนี่เนี่ยยังไนบ้างปฏิบัติมาหลายปี่ลายเดือนไปถึงไหนกันแล้วได้การบ้างวีดเกิดขึ้นกับกับตัวเองบ้างแม่เปี่ยนแฟนพันธ์ เป็นไงบ้าคือเมตาไม่เห็นใจเดือนทำอะไรก็มีแต่เบาๆล่ะสายเดือนแั้วนีบตัวเราแล้วก็ตัดคิามากเบาก็เรื่องของกาย แต่ใจก็มารู้ใจอยาไปให้เบาผิวตามตามกายก็อยากคืออันหางนะมันเบาก็รู้สึกว่ามันเบามันหายเบาก็อย่าไปเสียใจมันเบาก็อย่าไปติดใจมันมันหายไปก็ประชันหัวมันกายนบางที า บ, าบางช่วงมันก็เบาบางช่วงมันก็หนักอ่าก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรแต่ก็กรดีนะเบาก็ให้เราคล้ายๆมสภาวะของสมาธิมีปิดอีกในนั้นะแล้วก็เลยเกิดความเราจะควาสบายนะอ่แต่ต้องเข้าใจว่าเรายังไปผิดมนอย่าไปผิดมั น, นนะครับแค่รู้สึกว่ามันเบาอ่านอกจากเราเราเป็นไง เห็นครอบอยากในใจอตัวเองให้เยอะๆนะความอยากที่มันอยากจะประคองความอยากที่มันอยากจะรักษาความอยากที่อยากให้เป็นแบบนี้นะานๆเลวนะให้รู้ทนันนะรู้ทนันนะมันฝ่ายนี้ถ้าเรารู้ทนันนะมันจะเอาไม่เราก็ไ ม, ไ, มไม่เป็นไรละในไม่เป็นี้ a s k i ต่อเน่ยแต่เก็พูดไปเรสังเกตตัวเราเป็นอื่นมองไหมไม่ขยันลงไม่ขยันน้อยลงแต่จริงแต่มันรู้ของมันเองนะไม่ได้ตั้งใจที่จะที่จะรู้นะไม่ได้ตั้งใจที่จะปฏิบัตินะแต่ถ้าจินมันรู้เองนั่นมันก็ ก็ก็โอเคนกันนะบางทีนักปฏิบาติทำบางทีใหม่ๆจะมีความตั้งใจน่ะมีความตั้งใจนะมีการกำหนดเข้าไปแต่จริงพอทําไปเรื่อยๆนะมันต้องไม่ว่าคลายหรือว่า่ขดความตั้งใจแถวทีมไม่ได้่ขดดึงความตั้งใจขดนะมันมันอดตัวมันเองมัน ทำไม่ทำมันก็รู้ของมันะทำในรูปแบบกระทำหรือว่าไม่ทำในรูปแบบ ก, กระพ ร, รกกอนมันก็รู้ของมันเองะมันก็มันก็ได้นะอันนีด้ดีนะดีบางคนพูดถึงสาวะหนักๆไม่เห็นจะมีอะไรเนาะมันก็รู้สึกตัวอยู่ของมันอยู่แล้วคือที่จริงถ้าเราปฏิบัติไปเรื่อยๆเอ๊เออระรู้สึกจะว่าเอ็กซ์กรอนรู้สึกตัวมันมีอยู่แล้ว มันมีอยู่โดยธรรมชาติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าความหลงนี่แหละมันเข้ามาแทรกประแทงเฉยๆ แ, แรกๆต้องพยายามทั่งความรู้สึกตัวแต่พอทำเรื่อยๆความรู้สึกตัวนี้ไม่ต้องพยายาม ม, มันมีของมันนมันมีของมันอยู่แล้วะเพียงแต่ว่าความหลงมันเข้ามาแทะเฉยๆถ้าวไปวดนิดหนึ่งนะครับ แต่แ ร, แรกเนี่ยคนปกติก็จะหลงเยอะะรู้น้อยนะก <c oughs> ็เลยต้องสร้างไปก่อนนะแต่สร้างไปเรื่อยเ <c oughs> มื่อเราคุ้นชินกับความรู้สึตัวอันนี้ความรู้กตัวก็ท้ายๆก็เป็นใหญ่มีน้ําหนักมากขึ้นความหลงมันก็น้อยสงไปงท้ายๆเหมือนกลางวันกับกลางคืนเนี่ย ในการคืนนะมันก็มีปวาสบ่างของมันอยู่บ้างแต yes. ่มันน้อยใช่ไหอในความสว่างในช่วงกลางวันมันก็มีความมืดของมันอยู่แต่มันจะน้อยกว่าสว่างในสภาพร่างเริ่มต้นก่อนตืกมันก็เหมือนกลางคืนที่มันมืดนแสงสว่างจากัวดาวแสงสว่างจากดวงจันทร์แสงสว่างจากหลอดไล้วก็ ก็เป็นวางขณะเป็นบางที่เป็นบางเวลาที่เคยนะแต่พอเราคิดเรื่อยมันกำหนดผ่านเวลาเช้ากลางคืนมาได้ก็กลายเป็นรางวันนะก็อยู่ที่ไหนทาอะไรก็สวา่านงะสวัยทีหมดอันนี้ก็ น, นี่ก็คือสิ่งที่ที่มันก็เป็นส่วนบอก ก็ไม่ใช่ว่ากิเลสจะยังมันจะหมดไปนะมันก็ยังมีนะเช่นกิเลสในการติดดีๆติดสะโกติดตัวรู้นะหรือบางทีมันก็มันก็เหมือนเนาไม่ไม่ไปหน้าเราหรอกเน <c oughs> ี่ยก็อยู่ทื่อๆแบบนี้นะไม่รู้อะไรแต่ก็บางทีเกยไปรีบก็ไม่ได้แล้วทาให้มันเพลีย ได้คอยพัฒนาประมานะมืนก็ต้นไม้นะบางช่วงก็จะใี้มันออกดอกออกผลตลอดปีก็ไม่ได้นะบางช่วงเ้าก็อิแล้วก็ใบร่วงบ้างบางช่วงแล้วก็ออกไปใหม่บ้างค่อออกดอกออกผลทีก็เป็นช่วงเวลาการภาวนาก็ไม่ได้อย่าไปคิดว่ามันเราจะไปเร่งรัดใหมันเข้าใจเข้าใจเข้าใจต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่หรอก ตามช่วงมันก็ก้าวหน้าดีตามช่วงมัก็ดูสมที่ตามช่วงก็ดูเหมือนจะเปลี่ไปหรือว่าตกกามไปแต่จริงนะอย่าไป ถ, าถ้าช่วงไหนรู้สึกว่าถ้าภาวนาแบบเหมือนเปลี่ยนคือมันตกอย่าไปตกใจกับมันนะอย่าไปตกใจเพราะแค่รู้สึกว่าที่ ม, มันแปลกไปแต่ถ้าเราไม่ใส่ใจมันมากตกก็ตกไปแล้วก็ยังรู้สึกตัวคองเอยู่นะพยายามอ่าใช้พยายมมี ไม่ทิ้งการภาวนาอยังรักษาจิตยังสวดมนต์ทั้งวัดจัทร์ปฏิบัติธรรมอยู่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็กลับมาเดี๋ยวไปตกใจแต่ถ้าบางทีเราตกใจนะบางทีมันกับยิ่งยิ่งคล้ายคายจิตก็วันไหวจิตก็เรียกว่ากระเดื่องๆไปกับสภาวัไปก็ยิ่งแย่ที่จริงนะคล้ายมาทดสอบด้ยเช่นนัทดสอบด้วยว่าเมันคงไหม อบางทีมันลองโคชวันนาไปแล้วมีความรู้สึกตัวมากเราจะทาอะไรก็พอจะรู้สึกตัวเนี่ยได้ดีแต่บางบางบานบางช่วงก็เอ๊ะทำไมทําแล้วมันเหมือนไม่รู้เลยมันเหมือนกับเบลอหรือแบบเห็นเห็นก็เห็นไม่ชัดเลยนะหรือบางช่วงก็โดไปนานเ่ยโด่งนานก็หรือบางช่วงก็เหมือน เราภานาไม่เป็ น, นท่านี่ก็เคยทำเป็นนะมันช่วงเหมือนคนคนาเริ่มใหม่เลยนะไม่รู้เป็นอะไรนั่นเหมือนคล้ายตอนเราตื่นเอใหม่วันทีเบอ่นะ์เบอร์นมวงนอนนะแบบอันนี้สภาบัสนะคล้ายๆจิตใจมันมันรู้ตื่นแต่รู้ไม่่มันรู้อยู่แต่มไม่ก็่ตื่ไม่ใช่หลดว้านัแบบนก็ดี อยู่บางช่วงเขาสวยเข้ามาพ้องงานมากเลยไม่ไหวอันนี้คือเราเ ร, า, า, กเร า, าก็อย่าไปตกใจอย่าไปอย่าไปตบใจมังทีตรงนี้มันแค่าทายทดตอบเราดูว่าเรา มันคงไหมในความไม่เที่ยงของจิตเนยของสภาวะต่างๆที่จริงความไม่เที่ยงนะเนี่ยเขาก็มาต่อตามนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็พัฒนาเดี๋ยวก็เสื่อมอันนี้คือความไม่เที่ยงถ้าจิตใจเรามีปัญญามากขึ้นมันคงมันซึ้งมันก็เปลี่ยนอ๋ออันนี้แหละความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงส่วตนความเป็นทุกข์ที่เขาแสดงให้เห็นแต่ก่อนมันเนี่ย ฝึกเพื่อจะฝึกยังยึดมัน่นหรือมันอ่นนัก ป, ประ ก, กาศปฏิบัตนนนินี้วิจิตนี้นะเป็นของเราะเราพัฒนาจากจิตที่มันหลง่มาเป็นจิตของเราที่รู้นะเราพัฒนาจากาจิตที่ไม่ดีกลาเป็นจิตที่ดีเป็นจิตที่รู้อื่นบราณแต่บางทีมันยังมีเจือเรื่องความเป็นเราเยะ ยังเห็นว่าเนี่ยคือของเราแต่ถ้าเราทำไ เ, เรื่อยกาจะเห็นว่าเพราะที่จริงแม้แต่จิตนี้ที่ท่านใจถือเรื่งองการภาวนา น, นะมันก็ไม่ใช่ของเรามันเมือนมันญาตินี้นะเอ็นไหมเหมือนกับญาติโยมสร้างบ้านกักษาบ้านนี่ก็บ้านเราสร้างธุรกิจด้วยน้ำพักน้งแรง น, นี่คือกิตเราเห็นมสร้างลูกนี่ก็ลูกเรา มันก็มันก็ยากที่จะรักต่อตัวเราการทำงารพวกเหมือนกันเราสร้างอะไรตั้งแต่เริ่มต้นนะตั้งแต่มันตรงนุ้มคุกขันอยู่จะท่ามันดีขึ้นมานะมันก็ยากที่จะรักวามันเป็ของเราแต่เราก็ต้องฝึกให้มันถ้ามันจะต้องเห็นว่าไม่ใช่จิตที่ฝึกดีแล้วนี่ก็ไม่ใช่เราเป็นจิตเหมือนกับโรคภายนอกอะไรนะบางีก็ บ้านก็ดีครอบครัวก็ดีลูกก็ดีการงานก็ดีแม้จะทําดีขนาดไหนไม่จะแต่ใจดูแลดีขนาดไหนแต่ทุกสิ่งอย่างก็ไม่ใช่ของเรานะแต่เราทำดีแล้วนะถือว่าดีแต่เราเราทำแล้วไม่ผิดเรื่องภายนอกบางคนก็ยังผิดแต่นักปฏิบัติธรรของคนเรื่องภายนอกก็รับปล่อยวางได้ง่ายแต่เรื่องภายในเรื่องจิตใจ ทีนั้นะภาวนาก็าจะไปยึดมั่นหรือมัน่นนะยึดมั่นหรือมันในในอารมณ์ของการภาวนามากเกินไปก็ทำให้มันให้เห็นว่าเป็นเป็นธรรมดาของอืแต่ถ้าเราเห็นเป็นธรรมดาถ้าเห็นสภาวะเดขึ้นดีก็ตามเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ตับไปไม่ดีก็ตามเกิดขึ้นเดี๋ยวก็ตับไปเฉยๆก็ตาม มันเกิดขึ้นลักษณองมีค่าเท่ากัน ม, ม, มีค่า เ, าะะเนนะออท่ากั น, นเพราะเปะ็นเจ้าทะเลเรือนะมีขวบนึมาก็ไปชอบกันท่านเตือนเตือนไม่ดีใั่ไหมพะเพธมานาดาพิณเวทา ย, ยะทำทั้งหลายทั้งวเขามีความคิดมั่นถือมัม่ น, นทำทั้งหลายทั้งปวไม่ว่าจะเป็นรูปกระทำนามาทรขปุสโสเดชทำปุสโสเดช หรือว่าทำทิศเป็นการลางๆก็ดีนะเกิดขึ้นมาก็มีคนดยึดมั่นถึงมั่นอันนี้คือนี่เพื่อแต่ท่านต้นนะเอ่ก็ต้องร่างสมรู้ตั้งควาสึกตัวก่อนอย่าไปยึดอย่าไปข้ามท่านไม่ยึดมั่นถือมั่นในการภาวนาเลยเนี่ยไม่ยึดมั่นถึงมั่นในการปฏิบัติมันจะการเป็ความยึดมั่นถึงมั่นเปรีวบกไม่ยึดมั่นถึงมั่น มันมีนะอืมมันเป็นทีไปยึดมั่นในการปล่อยวางเนี่ยไปยึดไว้เนี่ยไปยึดมั่นในการปล่อยผ่านได้เลยแทนไปแบบนี้นมันมีนะมันจะมีบางทีบางทีกิเลสมันก็ล่องอะไรในคำนองนี้ก็มีไปยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นไปเนี่ยก็เห็นว่าจิตนี้ไม่ใช่เราก็ไม่ต้องทําอะไรก็ปล่อยไปเย มันก็เดินกิเลสก้าไปครับอันนี้ก็คือแต่ก็ต้องฝึก ใ, ให้เกิดความรู้สึกตัวเกิดสติเกิดปัญญาฝึกไปเรื่อยจนเขาเห็นว่าเกิจกรรมวันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนภาหนะเป็นเหมือนอุปกรณ์เพื่อให้ก็าถึงคาเหมือนเรานั่งรถมาที่นี่เนาะถ้าเราไมลงจากรถไม่รู้ก็มา ไม่ไม่จะ ม, ม, มาเข้าถึงในร้านได้ไม่จามาปฏิบัติทําได้ใช่ไห ม, มเรานั่งเรือข้ามภาเราก็ต้องขึ้นจะเรือไปหาฝั่งนะเรานั่งเ่องบินจะบินขนาดไหนเราก็ต้องลงจากเครื่องฉะนั้นไม่ที่ไปเห็นประเทศอื่นนะขามานานต้นกันนะถ้าเราไม่เมรต์นะเครื่องบินข า, านาที่พาเรามาสู่พระพุทธนิพพานนะมันก็จะทำให้เรา ติด อ, อยู่าทนั้นนะอันนี้ก็แค่แค่ปากไว้สำหรับผู้ผู้ภามนากับเก่าเนาะบางทีเจอเจอไปก็ได้แต่มันก็ดีนะมันมีพัฒนาการของมันเยอะแต่เราต้องราดมากกันมาต้อเพื่อที่เดินหน้าต่อไปนะเพื่อที่ไปเรียนรู้กับสภาวะธรรมที่มันละเอีอยดยุดขึ้นขึ้นไปเรื่อย ก็ดด <tır master> ีจากองคประกอบการเดินทางของการทำลทธรรมก็มีลำตัดที่มาตัดมันตัดคนเขาตรเนี้ก็เราให้ตืนเหมืนกันว่มีขั้วมีสองขั้วที่้อาที่จะถึงน้ั้วเน่ยครับ คือขั้วนี่สายเก่านีคือขั้วการถีบกุบเส็จใช่ไหมตรงขั้วนั้นเขาก็ยังมีแรงดึงสูงมากลองเดาะูว่าจะมีขั้วหรือัวอขั้วของากไม้พุกที่อยู่ข้างหน้าถึงเกิดว่าเราเดินบนเส้นทนี้มันดีก็ขั้วเรยจะเราอเดินไปหนึ่ ขัวแต่าก็ยืนราได้ยู่ดันั้นเรื่องสุดท้ว่าสิ่งที่เราต้พิจารณาก็คือสุดทาว่าเราเราไปต่อได้หรือเปล่าถ้าเราไปต่อไม่ได้นะทุกสุดก็ยังคนอยู่กับเรืนองสุดดนั้นเืองอนี้ถ้าเกิดว่าเรามองเห็นว่าเราหยุดอยู่กับที่นานอาจจะหยุดเส่อที่สุดอยู่น้านเ่างนันนะคือถ้าตอนนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่ เราเราอาจจะชันเค้ืองนะคราบอย่าชะล่าใจพิจารณาเลยแล้วก็อย่ากลับติดอะไรยอยู่เราก็จะได้หลักสิ่งนั้นแล้วก็เดิต่อไปงา น, นสิ่งที่เราปฏิบัติกันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับไม่ต่างกันอย่างหลวงพ่อเขียนใช่ไหมับย่ะงที่อาจะรย์สอนอาจารยที่อยู่ที่ สีกมังกรก็แปลงเรื่อผู้ดูผู้เป็นของหลวงพ่อคำว่าผู้ดูผู้เกิดหลวงพ่อก็คือถ้าเป็นเป็นหักแต่บบใหญ่นักไอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ใ่หนักใหชัดเจนนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนสมาวะผู้ดูที่เราเป็นอยู่เนี่ยเป็นส่วนความเป็นผู้ผู้เป็นที่เป็นอยู่เป็นส่สภาวะสมาวะความเป็นผู้ดูท่านเจิดอยที่กระจายมาแว่า ชออะไรจะเกิดขึ้นเนอะก็ไม่ใช่หลัอย่างที่ก็จะบอกบาทีเราก็บอกว่าเราผัสตุจิตนี้มาตั้งนานจิตจิตนี้ใช่ไหเราผัสตุกจิตนี้เราตั้งนานจิตนี้เป็นของเราใช่ไหมคือตรงนี้กะเป็นสิ่งที่เหมือนกับมันเราอาจจะทำให้เรายึดตัวติงใช่ไห้อย่างปัญหาแม่ปัญหาลูกัช่ไมีู่กของเราเองใช่ไเราไปจะเกิดความสับสนในห้ที่จะรู้คนคือ เราไปจะเรื่งเดียวกันต้ผ่านยสมมติาว่ามีเดกตกต่อราไอยู่บ้านเพื่อนนะเราอยู่บ้านไอยู่บ้านเพื่อเนี่ยเราก็จะเห็นนะแมคค้ครั้งก็จะชิ้นจี้เ อ, อากับลูกมากกว่าที่จะชิ้นจี้เอากับเราเพาเราก็เหมือนกัก็จะมีระยะที่ต้องระมัดระวัง อันนี้ไม่ใช่รูปกราขึ้นมาฮก็จะนำมาทกระบวกาหน่อยอันนี้รูปกลาก็ขับได้ขับเสีชอบอันรี้ยะขึ้นขึ้นร้นะก็จะเป็นสิ่งที่แบบความเป็นเราความเป็นเขาการที่เราจะเผู้ดูประกอบว่าตรงนี้เนี่ยก็คือเราก็การดูพ้าดูส่วนคนที่ถูกดูสิ่งที่เกิดูก็คือส่วนนั้นคตรงนี้พัฒนาการของการปฏิบัติตรงนี้ มันก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนแบบไม่คาดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่หนากสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ใช่หนากถ้าเราพิจารณาตรงนี้เนี่ยตรงนี้กขาพัฒนาตาเขาต่างเป็นผู้ดูเขาชัดเจนขึ้นบางทีหลวงพ่อชัดเจก็จะพูดถึงเรื่องของเหมือบการปลับมารู้สึกตัวได้เลยไหมแต่ที่ไม่ใช่เ่องหลมาเทียบนะหลวงพ่อมาเทียบหรือว่าขั้นตอนของ ของความโกรธ อ, อ่าเงี้ยงีแบบว่าอตอนนี้ความโกรธหายไปขึ้นนึงเหลืออยู่ขึ้นนึงใช่ฮะอย่างเงี้ยคาว่าขึ้ น, หนึหมายถงไงยว่า ไ, ได้ว่าเมื่อก่อนมโกรธแ้วอาจจะกดไปพันนึงอันนี้ก็เหลือบางสิ่งขึ้นวันใช่ไหฮะอย่างเงี้อันนี้ก็ไดาการปฏิบัติจะดีขึ้นหรือว่าความโกรธเมาาื่อไหร่เมื่อก่อ น, นี้โกรธก็ออกปากลงมือใช่ไหมฮะตอนนี้ก็ ยังมไม่ได้ออกปากอย่างเดียวค่ะก็ย่งช่นนีก็ยังก็ยังเหลือศรัทธาเมื่อเราฝึกเราฝึกถ้าราฝึราฝึกลงขนาดนี้เช่นนี้เราปฏิบัติต่อเช่นนี้ก็ความโกรเกิดขึ้นช่ีก็หายไปเร็วหรือว่าเราเห็นความโกรธในความโกรธต่างฟังางน่าก่างให้เราได้มีศรัทธามีการปฏิบัติที่คทานในนดนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยให้นําได้ได้มองเห็น ตอนนี้เี่ยเราจะต้องยุดติดหรือว่าแล้วะต้องเดินทางไี <c oughs> ถ้าเราเด็นทางไปไปลายทางที่เป็นความทุกข์เราก็จะท้อยลดแล้วก็ให้เราได้เที่ยบไให้เราได้มีสถานการณ์ปฏิบัติแล้วก็ให้เราได้เที่ยวในการปฏิบัติซึ่งในที่นี้ก็จะององความเพียนตรงนี่เนีในเบื้องต้นเราอาจความพยายามในเบื้องต้นจะต้งเป็นที่เป็นที่ใสของเรา เป็นการเป็นท nah ี่สังเกตเราไปแล้วความพยายามเท่านั้นก็ลดลงแต่ว่าการกระเจิดการกราเน็นไปความรู้สึกตัวหรือสิ่งที่เราปรายามเรื่องความที่มีก็ต้องมันก็ทำหน้าที่หึงของมันตรงเนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เกิดเป็นพัฒนาการของเราก็ให้เราให้เราได้เมืยนกับพิจารณาฮะพิจารณาสิ่งหนึ่งที่ เป็นเรื่องที่เป็นทีน่บางนีก็จะได้ว่าเป็นคำสอนผู้บวกใหม่ก็ได้แต่ว่าทาโดยส่วนตัวก็มองว่าเป็นคำสอนที่ดีมากๆ อ, อยาอ่างสิ่งที่ดีกว่า น, นี้จะมีอยู่ี ไม่ใช่เพียงเท่านี้นะครัการพูดการกระทำต่างๆที่ดีแรบนี้ยังมีอีกไม่ใช่เพียงเท่านี้คือบางปีถ้าเราก็บางทีเราก็จะหยุดใช่ไหมคือพอใจในสิ่งที่เรามีพอเราพอใจในสิ่งที่ดีเราก็เดินต่อไปไม่ได้สิ่งที่ดีมันไม่จะดีก็ให้เราต้องมองเึงการ้างในศู่ย์ขงการปฏบัติธรรมอองาต้องเสียน้องเขียนก็พยายามแบบ แกเมยนคบอกมันก็เลียงเพราะพอตอนเนี้ยแบบว่าปฏิบัติมาเห็นทูน้เหตุนี่เหตุการณ์นานเหลนี้มักเถียงก็สุดมันก็เถียงบอกว่าอันนั้นมันเหมนคกระนาเากล่าววาสิ่ง <c ười> ที่สิ่งที่ททเหตุมันก็เนี่ยแบบว่ายังเป็นสิ่งที่เหนตนะเรื่อจริงแต่ว่ามันก็เนีนิดเดียวเรื่องริเมือนลราถ้าเกิดว่าปิดกราอมาแล้วก็โลกให้รอกก็มีสิ่งที่ ที่ดีกว่านีิในเรื่องอนันก็คงี้ก็จะเป็นสิ่งที่ัให้กาสเขาเป็นการปฏิบัติก็จะเป็นสิ่งที่กดกับให้เราทันตัวเอาการปฏิบัติทำในรูปแบบให้เข้ากับการทํงานในชีวิตประจำนตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราก็จะเทียบเทียบเทียบก็เรียกว่าสิ่งที่เคยมีแล้วแต่สิ่งที่ ปฏิบัติก็อง้าอย่างงานการแลคนจะได้่นมันเป็นทางให้เราติดทุกติเสื่อเลยนะนั่นคือถ้เกิดพลังสามารถที่จะขนบของการปฏิบัติเข้าไปในการทางานมันก็จะได้มองเห็นนจิตใจที่เปลี่ยนแปลงสมารถธรรมที่เกิดขึ้นอารมณ์ความรู้สึกที่ที่เราเคยมีสิ่งนานๆๆอย่างนีก็เป็นเครื่องเครื่องที่ให้เราได้ ได้เขียได้เอามาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือในการที่ดูนั่นั่นก็คือการคล้ายๆว่าชีวิตของคนทางานบางทีที่เราเคยดูงานซ้ําๆที่เราเคยทาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ถ้าเราได้เงินได้ผลของการปฏิบัติทรรมเข้าไปในการทํางานการทํางานก็จะไม่มากเกินไปเพราะว่าการทํางานจะเเครื่องมือในการปฏิบัติธรรอย่างนี้ เราเคยมีที่สารแบบนั้นแต่ที่อยู่กับการทำงานในงาที่เม่าวาในงาปฏิบัติก็มันอาจจะเป็นจุดสังเกตได้ง่ายที่เป็นจิตที่ทาให้เราสังเกดได้ง่ายเพาะนั้นคือตรงนี้ถ้าเมือนะเราก็จะมีสัทธาในการทางานเพราะว่าการทางานทำได้ดีทํานก า, นารามม น, นั่งสังเกตในตอนนี้ก็จะเป็นสนนนบบที่เหมือนกับเราปฏิบัติเนรูแต่ที่เหมือนกับซ้ำไปซ้ำมาซ้ำไปซ้มา แต่ความสัมป اي สมาเนมันจะทำให้เราเห็นสัมป اي สัมมาการเป็นยังไงใจเป็นยังไงรมชาติของการเป็นยังไงรมชาติของใจเป็นยังไงตรงนี้ันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่ามันฟอจะติดตุกติดสุกแต่ว่าตอนนี้เรามีเครื่องมือสหรับการดูแผลเด่นเรื่องธรรมชาติของการคํามชาติของใจก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้เห็นชัดเจนผ่านอ่านสั้นๆด้วยก็ค นะ้ะอย่างนี้นก็ทำได้ในอาศัยทั้ลูกแต่ทังน้ลูกแตบ น, นี่นเป็นเครื่องมือทั้งหมดนี่แหบนะถ้